เป็นภิกษุอลัชชีเลวสามอยู่ในกีดาคิรีชนบทประพฤติไม่เหมาะสมเห็นป่านนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างละประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเรื่องใสแต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เรื่องใสทานที่เคยถวายประจําแก่สง์ บัดนี้ทายกทายิกาเลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายพากันจากไปภิกษุผู้เลวทามอยู่ครอบครองจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรไม่ควรทำพิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงประพฤติไม่เหมาะสมอย่างนี้คือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยดอกไม้เองบ้างใช้ผ oh ู้อ oh ื Remember, well. also, ่นร้อยบ้างทำมาลัยต่อก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำมาลัยเรียงก้านเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างจัดดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ผู้อื่นจัดบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เสิร์ตเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงประดับอกเองบ้างใช้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยเรียงก้านนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้ช่อ นำไปเองบ้างใช้ผู้อื <t odi> <t odi> <t odi> <t odi ่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่มนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เสื้อนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลลกุมารีเพื่อสะพ้ายของตระกูล เพื่อธาตุหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้างดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะเดียวกันบ้างนอนบนเตียงเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้างนอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดา กุลกุมารีสะพยของตระกูลธาตุหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในเวลาวิการบ้างดื่มน้ําเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลบ้างฟ้อนรําบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นราบ้างฟ้อนรากับหญิงฟ้อนราบ้าง ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้างประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้างเต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นรำกับหญิงขับร้องบ้างฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้างขับร้องกับหญิงประโคมบ้าง ประโคมกับหญิงประโคมบ้างเต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นมากรุกแถวละแปดตาบ้างแถวละสิบตาบ้างเล่นมากเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นมากไหวบ้าง เล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกขะเมนบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้างเล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้าง ปล้ำกันบ้างชกมวยบ้างปูลาดผ้าสังาติท่ามกลางเวทีเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำในที่นี้ดังนี้แล้วให้การคำนับบ้างประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆบ้างแม้พวกชาวบ้านที่เคยศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสทานที่เคยถวายประจำแก่สงฆ์บัดนี้ทายกทายิกาได้เลิกถวายแล้วภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายพากันจากไปพวกภิกษุผู้เลวสามอยู่ครอบครองภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสละ